มันเองจะได้ประรบธรรมสุดเป็นัปเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราที่เข้ามาบวชเป็นพระสูตรสามเณรต่างคนตา่ตางตั้งใจเข้ามาด้วยศรัทธาประสาธะคือความเชื่อความเงินสเมื่อมาบวช เป็นพ้ะที่สุดสา ม, มาเณนแล้วให้พากันมีสมณะสัญญาคือความรู้สึกตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราเป็นพระหรือเป็นเนรเครื่องนุ่งหม่มตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยไม่เหมือนที่เราอยู่เป็นคารวาอาศัยท่านผู้อื่นให้มาทางนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นอยู่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างทางหากมีสมณะสัญญาคือรู้ว่าเราเป็นนักบวชการประทีศปฏิบัติของนักบวชเป็นอย่างไรเราจะต้องที่นิจิจรนาตัวของเราพระพุทธเจ้าที่เป็นครูหรือเนี่ยสอน โลกมาครูบาอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปเยื่อใสสศรัทธาท่านต้อพิจาอย่างไรตัวของเราที่บวชเข้ามาในศาสนาเราจะต้องที่นพิจาจรณาคือตสอบกาปรปฏิบัติของเราอยู่สม่ำเสมอไปเห็นเรื่องใดที่เป็นสิ่ง ไม่ดีได้ยินอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่เขาติดสินเงินทาเรื่องของครูบาอาจารย์หรือที่สื่อตามาเล น, นองค์อื่นเราจะต้องมาคิดทบทวนหนุนกลับถึงตัวของเราเสมอว่าการที่เขาติดสินเงินทาคนนั้นเพราะเขาทําอย่างไรถ้าเราทําไปอย่างเขาเราจะเป็นอย่างไรเราชอบไหมการติดสินเงินทา ถ้าหาเราไม่ชอบเราก็ควรเว้นไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้อ ง, องเอาอย่างของคนชั่วมาใส่ตัวของตัวเพราะถ้าเราเอาส่วนชั่วของคนที่เขาติดสินทามานำพาปฏิบัติตัวเราเองก็จะถูกเขาติดสินทาเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเขาสัรงไลเสริญคนอื่น ที่ตุสามเนนองค์อื่นหรือครูบาอาจารย์ผันนักปฏิบัติที่ดีเด่นเป็นอย่างไรเราจะต้อง <c oughs> ทิมนี้พิจารณานำมาสอนตัวของเราอีกเหมือนกันเพราะที่เขาแาดะเสนิญจะต้องมีเหตุผลที่เขานิยมเชื่อถือเหยื่อนใสผันตระเพื่ออย่างไรเราจะต้องนำมาทิมนี้พิจารณา ดัด ก, กายวายใจาใจของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประบฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อเราทุกคนมีสมณสัญญารู้ว่าเราเข้ามาบวชด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสเราจะต้องตั้งใจประบฤติปฏิบัติอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นจะปล่อยจ10ิตให้ลอยลมอยู่ตลอดการตลอดเวลาดีอย่างไรชั่วยอย่างไรไม่คํานึงคํานวณติงตัวอยู่ในวัด แล้วก็ว่าเป็นบุญเป็นกุผลเป็นทางที่พอจิตพอใจหรืออยู่ไปเพื่อหาทางออกหลวันสองวันปีสองปีหรือช่วงปู่ช่วงราวแล้วก็ออกไปแต่การมาอบรมการมาบ่มนิสยัยการมาฝึกกายฝึกใจของเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่าิสูจนมฐานเนรทั่วไปบวชเข้ามาในพระศาสนาไม่ตั้งหน้าศึกษาไม่ตั้งหน้า ป ฏ, ปฏิบัติเข้ามาอย่างไรออกไปยิ่งโง่ยิ่งขี้เกียจที่ข้าง <c oughs> ในการงานต่างๆไนเชื่อฟังทำของพ่อของแม่หรือคูเท่าผู้จห่ที่แม่สอนเป็นคนหัวดื้อจองหองเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนคนอื่นที่มีลูกมีหลานจะมาฝกกาก เรียนเขียนอ่านหรือจะมาฝากมาพื้นปฏิบัติเขาจะยินดีพอใจไหมอยู่กับเขาเป็นคนดีเมื่อเขามาวัดมาบากมาอบรมกับครูบาอาจารย์แต่กลายเป็นคนชั่วไปเสียเขาก็ไม่อยากให้เขามาไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเราซึ่งเป็นผู้นาของชา ย, ยกชายวิกานําพระพุทธศาสนาจึงสืบสอบตัวของตัวอยู่มาเสมอวันเวลาที่ผ่านไป เราเดี๋ยทำอะไรเป็นเป็นทางที่ดีเป็นเครื่องอุ่นจิตอุ่นใจของเราไว้ถ้าหากเราไม่ได้ทําทำอะไรเราจะเกิดความกินแข็งแข ง, งใจเพราะการบวชเข้ามาชีวิตของนักบวชเป็นอยู่ด้วยคนอื่นทั้งนั้นที่อยู่ที่อาศัยที่เขาสละให้กณดีบริหารปูกครอบเบาหมอนต่างๆตลอดทุกอย่างที่ มีอยู่ในวัดเขาไม่ได้คิดเอาค่าจ้างรางวัลหรือค่าเช่าอะไรจากพวกเราเขาคิดอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลจึงอุตส่าห์สระงทรัพย์ของตนออกมาก่อสร้างให้แต่เมื่อเรามาอยู่มาอาศัยไม่ประกอบไม่ได้ประกอบคุณงานความดีอะไรมีแต่บวชโทามาแล้วก็เล่นเชิญกันอยู่ความสงบสงัดไม่มีกาปรปฏิบัติ เดินตรงๆภาวนาไม่มีเมื่อฉันเสร็จก็นอนตต่นขึ้นก่หนฮาอยู่หาจิมและคุยคุยกันไปทำอย่างนี้ประชาชนทั่วไปเขาจะต้องเสี่ยมศรัทธาไม่ยินดีไม่เลือ่อมใสไม่พอใจเหตุนั้นเรื่องการตีสิ น, นินธาพระหะของเขาในสถานที่ต่างๆเพราะชาเจ้าพระสงคิดสุสามเณรในวัดนั้น โด้ส่วนใหญ่ไม่เอาใจใส่เมาขอวัดปฏิบัติไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีเด่นแก่เขาเขาไม่พอใจเขาจึงไม่เลื่อมใสเขาจึงนำไปตีสินนินทาหากเราทุกคนรู้ว่าเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้านิสัยว่าจะมีเพียงที่เรารู้เราเห็นเท่านั้นดังเป็นของสุขุมละเอียด ผูที่ตระเฤศปฏิบัติฝึกหัดจิตใจจริงจังจะต้องได้รับความสุขความจเจริญทางใจเป็นที่เด่นฐานเด่นสามารถข้ามพ้นไปจากวิเยตัญหาไดา้ดจิตใจเด่นดวงอยู่ทุกการทุกสมัยไม่มีสมมติใดที่จะเข้าไปเชือกแฝงในจิตที่บริสุทธิธ์ของท่านเมื่อเป็นแบนนั้น ท่านจึงมีความสุขความเจริญอยู่ทุกการทุกเวลาจะอยู่ในป่าในถําหรือจะอยู่ในวัดในวาในหมู่ในคณะถึงคนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่ตัวของท่านไม่มีการเต่าการใสไม่มีการดีการฉ่วกับเขาท่านเป็นผู้ี่เศษเหนือสมมติอยู่อย่างนั้นเพราะท่านต่างหน้ต่างจากรักษาประพฤติปฏิบัติของท่านตั้งแต่แรกที่เข้ามาบวช ท่านก็อุตสาห์พยายามตัดสิทธิข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ชั่วที่ตาได้เห็นหนูได้ยินนํามาสอนกายสอนจิตของท่านไม่ให้ทําไม่ใหู้ดไม่ให้คิดสิ่งที่ดีที่จะนําความสุขความจเจริญมาให้ที่ประชาชนทั่วไปเกิดวความเชื่อความเลื่อมใสท่านนํามาประสฤติปฏิบัติจนจิตใจของท่านเอง ก่อพอใจในขอวัดของท่านในการปฏิบัติของท่านเรื่องใสในตัวของท่านไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะตําหนิติตนว่าตัวใดคิดชั่วทำชั่วหรือปวดชั่วแน่แต่คณะเดียวเท่ดนั้นเราทุกท่านที่เข้ามาเข้ามาเพปฏิบัติในพระศาสนาหากว่าทุกท่านตั้งหน้าตั้งต า, งตางปฏิบัติรักษาุณงานความดีจริงจังศาสนา กอนับรบร น, นบเวลาที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นหากเราทุกท่านจะมาอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผูเป็นตาให้เป็นใจให้ท่านบอกอะไรจึงจะทำท่านไม่บอกก็เฉย อ, อยู่ไม่มีแตติไม่มีปัญญาจะค้นคิดที่นิพพิจรารณาฮะเรื่องที่จะทำตัวให้เจริญเต้าหนะ้าถ้าหาก จะถึ่งพา ใ, ใสคนอื่นอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีวันไม่มีเวลาที่จิตของเราจะก้าวหน้าไปสู่ความจเจริญลุกงเรืยงได้เพราะเหตุาบาปทูปาอาจารย์ท่านกวปฏิบัติหน้าที่ของท่านนิใช่ว่าจะเป็นหูเป็นตาเป็นกายเป็นใจไปเปิดเผปฏบบิบัติให้ลูกจิตลูกใจเหตุนั้นในครั้งผู้เทศน์อาจารย์สมเด็จศาสดาอาจารย์ของเราจึงสอนเทวทัศน์ไม่ได้ เพเทวทัตเขาปฏิบัติไต่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอริยส า, าวกปฏิบัติไต่อย่างนต้นั้นคนทั่วไปในต่างจังหวัดหรือในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าเทวทัตแล้วเขาไม่พอใจใน่เลื่อมใสไม่ยินดีเพราะเทวทัตปฏิบัติชั่วไม่เชื่อฟังคาแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ยุแย่ทิสุสามเณรให้แตกราวสามคีกันและมีการอิจฉาพระศา ส, าสดาจนถึงว่าจะประหัประหารให้ตายแต่กรรมดีของท่านยังมีอยู่เทวทัตทำร้ายร่างกายของพระพุทธองค์ไม่ได้เราที่เข้ามาสู่พระศ า, ส, าสนาจะเอาเทวทัต เป็นศาสดาหรือจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราให้คํานึงคำนวณถึงเรื่องกายบายจาใจของเราหากเราจะปล่อยเอาไว้แล้วแต่คนอื่นจะแนะให้สอนให้ตนเองไม่ได้ที่นี้ที่จเจริญนาแก่ไขส่วนชั่วของตัวออกไปความดีเป็นอย่างไรที่ท่านแนะสอนก็ไม่ได้เอ า, เามาสู่กายบายจาใจของเรควรเช่นนั้นจะบวชอยู่ในวัดสัสิบปี ยี่สิบปีหรือร้อยปีกว่าต่างก็ไม่มีวันเวลาที่จะทําหน้าที่ของตนให้ได้รับความสงบสงัดหรือเจ้าเนี่ยในทางปฏิบัติไปสู่ความขุนใจที่เหลือได้เหตุนั้นการบวชจึงเป็นของสําคัญหน้าที่ของนักบวชมีอย่างไรเราจะต้องตั้งใจจะทํำบาเพ็ญตามหน้าที่ของนักบวช เราเลึกเออยู่สม่ำเสมอว่าชีวิตของเราทุกลมหายใจเขาออกอาศัยชาวบ้านคือการขบการขันการนุ่มการห่กรหมการอยู่การอาศัยอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเมื่อเราทำไม่ดีก็จะเป็นหนี้สินของคนอื่นที่เราเอามากินมาใชา้ถ้าหากเราทำดีพอเหลือจากตัวไป ก็จะได้ใจใช่นี่แทนถิ่นของบุคคลผู้อื่นบุคคลใดทํานึ่งคำนวณซึ่งตนอยู่สมันเสมอการบวชเพื่อจะให้จิตใจของเราละชั่วบําเพ็ญดีให้มีความสงบสงัดของใจประพฤติตัวเพื่อความค้นไปจากวิเหลวกปัญหานิสัยแบบมาบวชนอนเล่นอยู่อย่างหมูเมื่อเรารู้เราที่นี้พิจารณาอย่างนี้ มีสติติวสอบใจของเรามันคิดไปอย่างไรเป็นธรรมหรือเป็นอธรรมมีปัญญาที่นิจพิจารณาอยู่เส ม, ม, มอการปฏิบัติที่จะไม่ให้เจ้าหน้าเป็นไปไนไดน้คนที่ปฏิบัติมาถามว่าเป็นอย่างไรจิตใจส่วนในรู้ไม่เห็นเป็นอย่างไรนั่นคือผู้ที่ไม่มีติไม่มีปัญญา ไม่พี่เจริญนาเรื่องของตนเองทำก่อสัตว์ปวัติธรรเดินยงกรมก่นเป็นจิริยาหนังภาวานาเป็นจิริยาไม่ได้เอาปติเข้าไปเจับจ่อในการภาวานาหรือในการจัดทำของตนจะบริกรรมกับริกรรมไปได้ทำสองคำหรือนาทีทาสองนาทีลออาปล่อยจิตเพิดเธินหนีไปสู่กันจะเอามันอีก <c oughs> แกการออกไป จะเป็นเดรัามากน้อยกับเท่าไรไม่ได้คานึงคานวณถึ้งพอเหน็ดเหนื่นนอ ย, ยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวขึ้นมาก็เลยว่าเราภาวนาพอต้องปวนแล้วหลับกันเสี้ยนอนกันเสียหรือไปที่อื่นเสี้ยเมื่อเป็นเช่นนี้จะทําอยู่ร้อยปีก็ไม่มีวันมีเวลาก้าวหน้าได้แต่รู้จักวหวใจมันออกไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรใจที่ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย สุ้มซ่านลำคาญอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะอะไรเป็นเหตททุทําจิตทําใจคลองสนให้กระวนกระวายอย่างนั้นไม่รู้จักสาเหตุที่ทําจิตทําใจคองสนให้กระวนกระวาย <c oughs> เลยไม่มีวันมีเวลาที่จะห้ามกันเรื่องกิเลสตัณหาหรือเรื่องความเฉร่อช้าลาโมกต่างๆด่า หาผู้ใดมีสติสืบ่อมีปัญญาที่จเจรณาจิตที่มันคิดออกไปเป็นอกุศลหรือกุศลอย่างไรเป็นธรรมหรือเป็นอธรรมอย่างไรรู้หน้ารู้ตาของมันว่าความคิดชนิดนี้เป็นทางที่นำความไม่ดีมาสู่ตนเองทางไม่ดีทุกคนย่อมไม่ชอบสิ่งไม่ดีทุกคนย่อมไม่ปรารถนาแต่เท่าว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ชนิดที่ทจเจรนะินา ได้ปล่อยใจไปทั้งคมเสียไปเกี่ยวข้องเสียความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นถ้าหากเรามีสติหรือว่าจิตของเราเลึกทิศอย่างไรเป็นธรรมหรือเป็นอธรรมเข้าใจในเวลาที่ซึงออกหรือทิศออกไปเพราะสติเกิดจอต่อตั้งอยู่เพะปัญญาที่นิพิจารณาอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นของไม่ดีเราก็จะต้องขึ้น ต้องปล่อยอารมณ์อ น, นั้นถ้าหาเส้นสิ่งที่ดีควรจะเกิดสติควรจะเกิดปัญญาควรจะเกิญญวเกดวิชาความรู้ควรจะทําตัวท่องตัวให้เป็นคนเฉลีอวฉลาต่อไปลดคิดเท่าไรจิตใจยิ่งละเอียดเยียดเยินเข้าไปเพราะอารมณ์คือเราคิดเป็นธรรมกำลังเรื่องชั่วจากตัวของเราสิ่งที่ในรู้ก็เกิดรู้ขึ้น จริงที่ไม่เยสงบ ก, ก็สงบไปเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นอารมณ์ส่วนนี้เป็นอารมณ์ที่ดีเราก็รีบติดตามเรื่ียเร่งจะทาบำเพ็ญเรารักษาส่วนที่ดีเอาไว้ส่วนที่ชั่วเสียหายเรากำจัดออกไปถ้าหากเราทุกคนมีสติสืบสอบมีปัญญาที่นิพพิจารณาอย่างมีสมณะสนะัญญาอยู่สม่าเสมอว่าเราบวชโทรมา ชำระความชั่วบำเพ็ญความดีเมื่อเราคิดได้หรือเราปฏิบัติตามทางธรรมดีไหนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาไว้ใจของเราทุกท่านจะมีความเยือกเย็นส ง, งบสงัดการคิดติ ด, ดตามเรื่องอืนอ่นที่ไม่เป็นสารประโยชน์เมื่อปัญญาทิ่จรินาแล้วเห็นว่าเป็นทางเสียหายเราต้องฝักตัวทีเดียวเหมือนอตาสิศ ถ้าหากให้มันขบกัดเมื่อใดเราจะต้องได้รับบาดแผลนี้ได้รับความเจ็บปวดแทบประดาตายหรือตายไปเราจะกล้าไหมได้จับผัดร้ายที่เป็นอรรัจฉริย์นี่จิตของเราไม่รู้เพราะปัญญาไม่สืบต่อเพราะสติไม่มีปล่อยไปทั้งคมกับอารมณ์สัญญาที่เป็นส่ว น, นอสจฉริย์จิตของเราจะงได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย เใจเอาเชื่อว่าเราไม่มีวาสนาแต่การสร้างวาสนาของเราไม่มีอยู่ในวัดใดอยู่กับครูกับอาจารย์ใดทําความหนักใจเพราะความนึกคิดสติปัญญาไม่มีเป็นคนมักเล่นมักเชินมักคุยกันเป็นคนเออกระเลยเฮฮายินดีการงานทางนอกยิ่งกว่ากาสรสําำระเรื่องกิเลสปัญหาความเจียงเรื่องภายนอก พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเพราะการอยู่สถานที่ใดจะต้องมีการรักษาสถานที่มีการปัดการกวาการทำความสะอาดเพื่องูงของห่มต่างๆแล้วก็มีการจากการปอกไม่ได้ปล่อยทิ้งไปแต่แท่ว่าการสละใจเป็นพุทธะไปสงอย่างนี้การสร้างสิ่งอื่นสร้างขึ้นได้ ด้านวัตถุทางหาเสดสิทธ์สวมอยู่ในศาสนาไม่ควรจะพากันเถิดเพินในยินดีเกนเกินไปพออยู่พออาศัยได้ก็ อ, อยู่กันไปไม่ต้องสร้างให้ใหญ่ให้โตหนักหนาสักเท่าไรการสร้างใจเป็นพุทธไปรสงที่จะควรสร้างให้ใหญ่ให้โตเพราะการสร้างใจ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าหากผู้ไมมีความขยันหมั่นเพียรจริงๆสร้างขึ้นได้ยากมีเงินมีทองมีเข่ามีของจะสร้างจิดสร้างใจองตนให้รับผลคือความสุขอยู่ทุกการทุกเวลายอมยากหนักยากหนาะส่วนที่อยู่ที่อาศัยเรามีเงินทองเข่าขอ ง, ของสร้างเอาได้จะสร้างใหญ่สร้างโตสักเท่าไรก็สร้างได้ส่วนสร้างจิตใจเรามองข้ามไปเสีย แต่ความจริงเรื่องจิตใจเป็นของสำคัญกว่าเรื่องด้านวัตถุภายนอกเพราะจิตใจเราได้อาศัยอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าหากจิตใจของเราขาดคุณค่าจิตใจของเราลิบัดจิตใจของเราโมงเง่าเต่าสุนจิตใจของเราเดือดร้อนที่อยู่ที่อาศัยจะใหญ่โตและโหฐานสักเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขใจอยู่นั่นเองเหตุนั้นการสร้างใจ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านที่มาปปฏิบัติจะต้องพากันคำ น, คำนนึงคํานวณและแนะสอนเจ้าของให้ประปฏิบัติให้สร้างทางจิตทางใจชำระสิ่งที่ชั่วที่ยั่วยวนให้รุ่มหลงบำเพ็ญสิ่งที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นเพราะสิ่งที่ดีที่ชั่วรวมอยู่ในหัวใจของเรา ไม่ได้อยู่สถานที่อื่นที่เลดมีอยู่ในสถานที่ใดมักขนซึ่งจนเส้นตรงกันข้ามก็ต้องอาศัยอยู่ในที่นั้นเหมือนกันกับป่ามีอยู่ในสถานที่ใดถ้าหากเราขังต่าออกไปความลงถงก็จะเกิดขึ้นจากที่นั้นถ้าเมืด อ, อยู่ในสถานที่ใดความสว่างก็จะต้องมีอยู่ในสถานที่นั้นถ้าหากเรามีปัญญาทําความสว่างขึ้นได้ นี่จิตใจของเราที่มืดห น, นาสาหโหดเบื่อที่เหลือปัญหาก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแนะสอนำเจ้าของเพราะว่าเราไม่มีสติรู้เรื่องที่จิตไปเกี่ยวของกับเรื่องของความสุขเราจึงมีความรุ่มหลงหรือมีความกวนกระวายมีความทุกข์ทางใจอยู่ทุกการทุกสมัยใสวเรื่องความสุขของใจผู้ที่ชำระสะสารได้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงจัง มันไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นมีขึ้นจากหัวใจที่งงๆนี่แหละจะกลายเป็นหัวใจที่สลาดขึ้นความฟุง้งซ่านรามคานี่แหละจะทำให้สงบสงดขึ้นเพราะการแก้ไขเหมือนกันกับความมืดมีอยู่ที่ใดถ้าเราตามไปดวงใหญ่ขึ้นสะบงังออกไปหมดความมืดเราไม่ต้องบอกว่าเอา้า เองอย่ามาอยู่ที่นี่หนีไปที่อื่นเสียไม่ต้องบอกถ้าหากเรามีธรรมประจันตัวของเราเหมือนกันสติมีปัญญามีความไขว้ิด ท, ที่นิพพิจารณาทำเรื่องของอารมณ์สัญญาที่เคยมาเป็นขาดสิทธของเราทําใจของเราให้เดือดร้อนทาใจของเราให้เศร้าหมองทําใจของเราให้พวโเราเต่าตุ่มากหายไปเพราะเหตุใดเพราะเรื่องของสติเรื่องของปัญญาจะต้องกําจัด ทวามโง่เง่ า, งาตตุลเหล่านั้นให้หายหนะ้าหายตาไปได้เหตุนั้นเราทุกท่านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของนักบวชเป็นอย่างไรที่เขากันแลเสรยอนยอครูบาอาจารย์เขาจะเรียนเศรยนยอเพราะท่านโง่เพราะท่านที่เกียรเพราะท่านไม่ตัตงต้งหน้าต่างๆารตเพื่อปฏิบัติหรือเขากันแลเสรเพราะท่านเป็นผู้สือ่อสาร มีข้อวัดปฏิบัติดีมีสติปัญญาดีมีความรู้ความฉลาดดีเขาจะต้องสรรเสริญทางดีทางชั่วไม่ว่าเขาว่าเราจะต้องติสินินทาเพราะความชั่วไม่เป็นสิ่งที่ป่าเถนาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราที่เปพลออดอยู่ปฏิบัติอยู่จิตใจของเราเนี้เป็จนจิตใจที่ชั่วหรือเป็นจิตใจที่ดีถ้าชั่วทาไมเราจึงไม่สำรัก หรือว่าการปฏิบัติของเราสมบูรณ์ควรสุขทุกอย่างแล้วถ้าหากสมบูรณ์ควรสุขทุกอย่างเราก็ต้องหลีกเลีความเยือดเยินเป็นสุขในตัวของเราคนอื่นเขาเห็นเข้ากวจะต้องเกิดความเชื่อความเลื่อมใสใจของเราทําไปราจาของเราพูดไปจะต้องมีเหตุผลให้บุคคลผู้อื่นรู้ หรือเข้าใจได้นี่ถ้าหากเราไม่สืบสอบตัวของเราก็ไม่รู้ว่าตัวของเราเป็นคิดเป็นพัยอย่างไรใจของเราเลื่อมใสในตัวของเร า, เราหรือไม่ในการผลิตปฏิสัมพัวันคืนผ่านไปปีเดือนผ่านไปความเฉยสลาดความดีเทวคูณขึ้นหรืออะไรเพิ่มพูในในจิตในใจของเราสิ่งที่เพิ่มพูนจิตใจก็เพราะใจแตกค่าย ใจไปคิดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหารไม่มีเหตุผลจะไม่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นแต่ตนที่ตนคงตนไม่ชอบใจไม่ยินดีแต่เหตุที่ชั่วเราไม่ยอมละเราไม่ยอมปล่อยใจใความดีมันเข้ามาได้อย่างไรถ้าหาเราปล่อยความชั่วนี้ไปสร้างเอาความดีขึ้นไว้จิตใจของเราจะต้องได้รับความเยือกเย็นความสุข คามสบายนี่เป็นเรื่องของเหตุของผลในทางพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรอื่นที่จะทำเราให้เป็นผู้ดีีิเศษได้ยิ่งกว่าการกระทำคือกรรมที่เราทำที่เราผูดเราคิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตลอดถึงเทวารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสา ล, ลโลกไม่สามารถ ที่จะทำเราให้เสียหายหรือให้ดีเด็ดได้ยิ่งกว่าเราตัวของเราเองตัวของเราเองถ้าหากปัดดดดิบัติดีปฏิบัติชอบมันประกอบทีนิทิจไรนาทางดีเห็นคนอื่นเขาทาดีเราก็นำ ม, มาสอนเราให้เราเอาเยี่มอย่างทางดีมาปฏิบัติเราจะต้องเป็นคนดีขึ้นโ ด, ดยที่เราไม่ศาถนา จริงเรานั้นก็จะต้องเข้ามาสู่ตัวของเราเช่นคนประพฤติชั่วเขาไม่ปราถนาความชั่วแต่ความชั่วก็ในนี้จากตัวของเขาไปได้เพราะเขาประพฤติชั่วเขาทาชั่วจึงว่า ก, กรรมที่เราทำไปทุกสิ่ทุกส่วนเป็นของท้องตนไม่มีบุคคลผู้ใดจะมารับแบกหามไปให้ความชั่วทั่วไปพวกเราที่เป็นนักประพฤติฏิบัติจึงควรสงวน รักษายาให้มาแต่ต้องทางกายบาจาใจของเราเพราะความชั่วเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวของเราเข้าเราจะได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ความดีทั่วไปที่ยังไม่มีในกายในใจให้ก่อโกรธหรือก่อสร้า ง, งขึ้นให้กายให้บายใจาให้ใจของเราได้รับผลคือความสุขความเจริญเหตุนั้นการปฏิบัติศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้อื่น ผู้ทีอยู่ในศาสนานี่แหละจะเป็นผู้ได้รับผลความสุขความสบายถ้าหากเราไม่รู้สึกตัวของเราว่าความสุขความสบายมีหรือไม่การประเครืปฏิบัติไม่ได้ใค่คิดที่ที่จะได้มานว่าเป็นทางที่นําพาให้เสียหายดได้ดีอย่างไรจะปฏิบัติไปเท่าไรมันก็เป็นไปไม่ได้นะักปฏิบัติหรือนะักจะ ท, ทําบําเพ็ญทางจิตทางใจ ต้องสืบสอบเหมือนกันกับนักท่าขาดิ่งใดที่ควรจะได้เป็นกำไรหรือจะขาดทุนอย่างไรเขาต้องที่นิ้าจรนาเจียก่อนเขาถึงซื้อมาซื้อมาแพงจะมาขายถูกมันก็ขาดทุนสูญกำไรไม่มีอะไรจะเหลือหรอถ้าซื้อมาถูกขายได้กำไรดีเขาย่อมยินดีและตามหาซื้อสิ่งที่มีกำไรอย่างนั้น จิตใจของพวกเราทุกท่านก็เหมือนกันหากสืบสอบที่นี้ที่เจรณาอารมณ์สัญญาที่ผ่านมาทางหูทางตาหรือปลุงขึ้นทางใจอือหน้าตาเรื่องราวของมันทุกการทุกสมัยว่าสิ่งนี้เมื่อจิตตามหรือกระทำไปได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเทรี่รักษาดส อ, อนจิตวอกจิตให้กลับมา สู่อารมณ์อันใหม่อย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดไในสิ่งนั้นหาพทุกท่านระวังชั่วเอาไว้ไม่ให้ชั่วเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจส่วนความดีสิ่งใดที่ควรจะเกิดจะมีขึ้นได้รีบรักษารีบกระทําบําเพ็ญคนนั้นแหละจะเป็นคนที่โลกทั้งหลายเขาสรรเสริญเขาเหลื่อมใสเขายินดีเขาพอใจ ไป่ถานที่ใดเป็นสุ ข, ขโตุไมมีทุกข์ติดตามไปอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุ ข, ขโตมีความสุขอยู่อย่างนั้นโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายสักขนาดนั้นแต่ใจของท่านผู้นั้นที่มีความดีกอบกวยเอาไว้หรือมีความดีจนหลุดพ้นไปจากอาชราิเลส่้ท่านจะมีความสุขอยู่ทุกการทุกสมัยไม่เป็นทุกข์ตามเรื่องโลก ของเขาถี่เขาเดือดร้อนเกิดนั้นเรื่องการกอ่อหลางสร้งางความดีหรือการสร้างจิสั้งใจซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนจะสนใจที่นี้ทีจารณาอย่าไปปล่อยวันเวลาให้เสียหายไปเสียต่อกัดพราะชีวิตของเรานับวันนับเวลาที่จะแก่เท่าเข้าไปที่จะใกล้จุดความตายเข้าไปถ้าที่นี้ที่จะเลนาะกันจริงจังอย่างไงง่าย ลมหายใจเข้าออกคนั้นเป็นสิ่งที่ยังชีวิตของเราเป็นอยู่ได้รมหายใจเข้าออกวันหนึ่ง ห, งหายใจสักสี่ทางเข้าสักสี่ทางออกสักสี่ทางเราได้คำนึงคำนวณไหมคนที่ไนได้คำนึงคำนวณคิดว่าชีวิตของตนจะยืดยาวยืนยงคงทนไปปีนั้นเดือนนั้นเราถึงจะต่อพฤติปฏิบัติวันนี้ในชัยนาทีของเราเรายังนมอยู่เรายังเด็กอยู่จะป่อพฤ้น การใดปฏิบัติการใดเราก็จะตกคิดได้เพราะชีวิตของเรายัางยืดยาวอยู่ความคิดเป็นนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นทางที่ผิดเป็นคนประมาทเพราะเด็กก่อตามหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่ก่อตามถ้าหากหมดลมหายใจก็าตายด้วยกันเท่านั้นชีวิตเป็นของสั้นแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าก็าดีออกก็ดี ให้มีสติติดตามอยู่สม่นเสมอถ้าหาเราเข้าหายใจเข้าหรือหายใจออกมีสติจิตใจผิดคิดตรงไปในทางผิดอยู่อยู่ทุกการทุกเวลาหายใจเข้าเราตายหายใจออกเราตายอยู่สม่นเสมอไปมีสมม น, นะอันนี้มรณะสัญญาประจำตัวอยู่ คิดว่าหายใจออกทางในเข่าตรงต้ายเนี่ยหายใจเข้าไม่ออกตรงซ้ายเนี่ยคุณงามความดีเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นที่อุ่นใจของเราจะต้องสอนเจ้าของเจ้าของจะต้องรีบร้อนในการปฏิบัติทางดีทางหาปล่อยเอาไว้มันจะเป็นอย่างไรทั้งมันก็ไม่เคยเห็นบุคคลผู้ใดหรืออะไรจะเป็นสิ่นเป็นอันในทางดีขึ้นได้ถ้าปล่อยไว้แล้วแต่มันจะเป็นแากไป ไม่ว่าไาวันนาหรือไม่ว่าเ น, น, นือสีน้ำหนาทางเราไม่เรียนจะมากองกองเทินกันไว้บนศีตาของเราหนังสือก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะโทรมาสู่ความเสียใจของเราได้ไหลนาเรียดสวนทางเราไม่ทําจะให้เข่าปลามันเกิดขึ้นในนาของเราเจนถึง น, นาเองมันก็แล้วไม่มีวันมีเวลาที่จะเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยการ จะทำบมเพ็ญจิตใจของเราที่จะเป็นไปในทางชั่วก็เรานึกคิดติดตามเรียนชั่วที่จะเป็นไปในทางดีก็เพราะเราก่อป่วยคุณ ง, งามความดีแนะสอนเป็นพงสนไม่ใช่เกิดขึ้น ม, มาไม่มีเหตุมีผลเหตดนั้นทุกท่านทุกคนที่มาศึกษามาบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาเพิงมีสมณสัญญาความระลึกนึกอยู่ว่าเราเป็น พระภิกษุสา ม, มาเณรหน้าที่ของเราที่จะต้องประกอบคุณงามความดีไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินดนั่นอนมีอย่างไรจะต้องสนใจสอนเจ้าของแนะนําเจ้าของให้ตืนอยู่ทุกการทุกเวลาจะได้ตั้งหน้าต่างๆสร้างคุณงามความดีเพื่อความสุขของใจและ ความผลไปจากนี่ิยหากเราทุกคนมาบวชในศาสนาฝึกฝ น, น อ, นนนอนบรมเป็นอย่างนั้นตั้งหน้าตั้งตาต่อเพื่อปฏิบัติอย่างนั้นก็จะมีความสุขความเจริญแต่ตนของตนคนผู้อืน่นที่เขามองเห็นโดยตาเขาได้ยินโดยหูก็จะเกิดความรู้สึกคือความเชื่อความเย็นใสพอใจยินดี เรื่องเหล่านี้ทุกท่านทุกคนควรสนใจและสอนตนเองถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะมีความเศ้าหน้าในการปฏิบัติควรถลของตนไมสอนตนเองตนคองตนไม่ดูตนเองมึงแต่อยากจะให้เขาสดงเอนมึงแต่อยากจะให้เขายินดี ยาได้ละส ก, การะส่งบูชาต่างๆแต่ตัวของตัวเองเป็นอย่างไรในํำนินคานวณแกรไทยปมดอยหรือความสว่วงของสวงเมื่อเป็นเช่นนี้จะร้องไห้จนน่านตาไหลเป็นเลือดแดงออกมาก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะมีผู้เชื่อผู้เรื่มใส่ผู้มีใจยินดีศรัทธาเพราะเหตุว่าเราชั่ว ทางหาเรากำจัดตัวของตัวในเรื่องความชั่วออกไปความดีส่วนใดที่จะเกิดมีขึ้นไดนอุตสาหพยายามติดตามจะทำบำเพ็ญเราไปปาถนะเรื่องความสรรเสริญยนยอจากท่านผู้อื่นหล า, ากจะลจเราไม่ต้องปาถนาเพราะกเกิดมีมาแก่เราเพราะเหตุใดเพราะความดีเป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดความดีที่ มีอยู่ในสถานที่อื่นเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะเราเป็นคนดีทางาเราเป็นคนชั่วก็ไม่มีสิ่งอันใดที่จะเหนนยิ่งกว่าความเหม็นของตัวที่เปบบ็นพืชชั่วเพราะไปได้ทั้งใต้ลมทั้งเหนือลมความเหม็นกลิ่นอันอื่นจึงมี อ, อยู่ในโลกเขาจะต้องไปตามลมเท่านั้น ส่วนความทั่วของมนุษย์หรือตัดทั่วไปที่ทําความชั่วเอาไว้ตื่นความทั่วจะเน้นไปทุกทิศทุกทางทีเดียวเหตุนั้นต่างท่านต่างคนต่างคิดได้มาศึกษามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ในพระศาสนาพึงแน้สอนตนเองเพืรู้จักทางทั่วหลีกเลี่ยนความทั่ว แนะตัวเองให้ยินดีพอใจในทา ง, ด, ทางดิษทานดียึดมั่นถือมั่นผู้บาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ดิษผู้ดีมีสื่อเสียงเลียงนามนำขอวัดปฏิบัติส่วนดีของท่านมาฝึกกายราจาใจใจท้องตนเมื่อทุกคนพากัน ได้ยินได้ฟังและนำไปใส่ชิตินิพิจเรนาตั้งหน้าตั้งตาและชั่วบำเพ็ญดีอย่างนก่อนนับวันนับเวลาที่จะมีความสุขความเจริญเก่าหนาในทางพระพุทธศาสนาการอธิบายธรรมะก็เห็น่าตรสมควรเป็เนเวลาดีหว่า